น้ำมะพร้าวทนบานะฉันไม่ได้มหาผ ล, นะลาใช่ใช่แล้วถนะ้าออกน้ำแตงมะพร้าวอันนั้นได้ได้แต่ถ้าน้ำจะลูกเยไม่ได้ไไดน้ำมะพร้าวน้ำอะไรเนะี่ยแตงไทยนี่นะน้ำแตงโมน้ำขนุนนะผลไมใ้ใหญ่ๆนะข้าเรียกมหาผลฉันไม่ได้ เนี้เมื hm ่อ so ก yeah, <cou> ี้เราคือสึอก็บอกว่าอขามาจัดรองเท้ารับเขาเรียกน้น้ตาลสดมันก็เป็นดอกทเป็น้าครับน้าตาลสดข้าวสานั่นนะเพราะเาเอบเป็นน้ำตาลไปนะครับน้ำ้ไดใช่ไคะไดงครับ้มโอแล้วคะ้มอนะ้มโอันมีด้วยป่ารู้สึกไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวเขาบาลีนี้ก็ได้ มหาผลแค่แปดอย่างนะครับในนี heavy, ้ก็ม okay. ีผมขอไล่ก่อนนะเฉพาะที่ระบุไว้นะครับมันจะมีอะไรเมื่อกี้นะแตงโมแตงไทยขัดอเมาพ้าวนะครับผลตาครับขนุนสาเกปั๊บนะครับและก็อะไรอันนึง นัักใครมีถ้าใครทำเป็นเป็นกระป๋องเป็นอะไรครับใครมีนะครับไม่อันหนึ่งอะไรอะไรดแต่อนี้เราเยเกลียดกันเลยนะครับไม่ใช่ฟักทองเงี้ยอย่ามจะปล่อยเยอะนะครับได้ครับผลมไม้เล็กๆนาดนีับพลั ได้เลได้ได้หมุนถ้าเอานมนะจาไม่ได้ก็ต้องเปิดดูขาไปยานนะน้ำาต้าลูกน้ําต้าเนี่ยคอยก้าก้าชนิดนะคก้าชนิดก็คือมีลูกตาม่ไพร้าขนุนสาเกสาเกขนุนประเภทหนึ่งใช่ไหมขนุนชนิดหนึ่งก็ปือสาเกเป็นน้ำาต้อ า, าอรครับ แล้วก็น้ำต้านะครับแตงโมฟักเขียวนะไม่แตงไทยนะฟักเขียวแตงโมฟักทองฟักทองด้วยนะมีฟักทองด้วยนะครับก้าวชนิดนี้นะอันนี้ไม่ได้นะครับและอัปลัณชาติพวกถั่วน้ำถั่วเหลืองนี่นะนงถั่วเหลืองนี่ก็ใช้ความเย็นไม่ได้นนี้้อัปลัณชาติก็คือ พวกผู้ที่ข้าจะกินทีหลังนะกินทีหลังข้าครับมันจะมีปูพันชาติาพันชากินก่อนรู้ว่าเกิดก่อนจำไม่ได้นะนั่นจะเกิดก่อนครับอย่างนหมอเขียวกินทีหลังนะคือบอกว่ากินทีหลังถ้าจะกินอน้ําอโคลาฟีแล้วันน้ายานานก่อนแล้วก็มากิน ผผลไ ม, ม้มากินผักกินข้าวนะครับถั่วใช้ใช่เลยถั่วแล้วก็อะไรนะน้องข้ า, ขาวใช่ไหมมีถั่วแล้วก็น้ำซุปกินทีหลังนะคกันข้าวแกงจืดนะเนี่ยใช่ไหมมันก็ว่ากินหรือว่าเกิดนนะ่าเอาว่าทีหลังอะไรอปลนนาแต่ว่าทีหลังนัปลันผลไมท้ที่อ่านนะพวกพุกกทภานเรื่องอกินทีหลังนะครับเรื่องอัปลันชาเนี่ยถ้ากินกอนน ก, กอ ก็ไดบุพพนชาชาธรรมดาคนใช้ก็ต้องกินเอารูปรกติทั่วไปนะก็ต้องกินข้ามมนะันแล้วกินโพรตูพวกงาอะไรที่ห น, น, นังดีไหมครับนี่นะ <c oughs> <c oughs> เอาเขาเรียกว่าเยสุย่ยาในในเดลมานี่อย่างนนะในเดลมาครับอาจารย์ต้องไปดูเปิดดิภาษาบาลีที่ดีทีนะว่ากินก่อนหรือว่าเกิดก่อนข้าวมันก็ว่ากินก่อน วถั่วถั่วสารพันธุ์นะครับถั่วเขียวถัวเหลืองถัวดาถัวแดงถั่วเรืองออกรเบียนธรรมชาติ เ, เขาข้าวโทดนะ้าวนี่เป็นประบุธรรมชาตินะท่านพธัญพืชนะธัญพืชระบุมรมชาติครับไอนะ้ข้าวเจตนินน่ะข้าวสารีข้าจ้าข้าเหนียข้าวบาเลข้าวละมานข้าฝ้างูกเดือนครับยา ก, กับแกล้วิข้าวโพดเนี่ยก็ส่ง้องอะไรนี้แหละ คนนี้เป็นคพชาติอันแค่ น, ะ น, น, น, นะ น, นี้ด้จะประชันาะเอียดนู่นก็ในยโพชนาวางังนะตรง น, นี้ในโพชนาวังอาจจะละเอียดอไรเงี้ค่ะ